ภรตรายปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากภรตรายปิฎกเล่มที่หกหมวดที่หนึ่งกรรมคันธกะหมวดว่าด้วยสังฆกรรมภิกษุสองรูปชื่อปันดุกะกับโลหิตะกะชอบก่อการทะเลาะวิวาทก่ออธิกรณในสง์สนับสนุนภิกษุผู้ชอบก่อการทะเลาะวิวาทมีผู้ตีเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่ ส, ตสวนได้ความเป็นสัตว์คือได้ความจริงแล้วจึงทรงโปรโดให้สงฆ์ลงตัดชนียกรรมในที่นี้แปลว่าการข่มขู่แก่เธอทั้งสองโดยให้โจทย์อาบัตให้ระลึกว่าได้ทำผิดจริงหรือไม่แล้วให้ยกอาบัตขึ้นเป็นเหตุสวดประกาศขอมติสงฆ์ลงตัชนียกรรมแก่เธอคือสวดเสนอยติหนึ่งครั้ง สวดประกาศย้ำขอมติสามครั้งครั้นแล้วส่งแสดงลักษณะการทำตัดชนียกรรมว่าอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรมการทำที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ทำต่อหน้าไม่ซักถามคือลงโทษโดยไม่ฟังคำให้การไม่ฟังปฏิญญาคือการรับผิดของจำเลยส่วนที่เป็นธรรม คือทาในที่ต่อหน้ามีการซักถามมีการฟังปฏิญญาของจําเลยเป็นต้นลักษณะของผู้ที่ควรลงตัดชนียกรรมภิกษุที่สงปรารถนาจะลงตัดชนียกรรมก็ลงได้คือหนึ่งเป็นผู้ชอบก่อการทะเลาะวิวาทก่ออาธิกรในสงสอง เป็นผู้มากด้วยอาบัตมีความประพฤติไม่เรียบร้อยสามเป็นผู้คลุกคลีด้วยขฤือหัดในทางที่ไม่สมควรหรือเป็นบุคคลดังนี้หนึ่งมีศีลวิบัตคือเสียหายทางศีลสองมีอาจารวิบัตคือเสียหายทางความประพฤติหรือมารยาทสามมีความเห็นวิบัต หรือกระทาสิ่งเหล่านี้หนึ่งติเตียนพระพุทธ 2. ติเตียนพระธรรม 3. ติเตียนพระสงฆ์หรือภิกษุสมรูปแต่และรูปทำการที่ผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาข้างต้นการลงโทษไม่นิยมให้ทำแก่ภิกษุสี่รูปขึ้นไปเพราะจะกลายเป็นสงลงโทษสงถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นจะต้องหาทางออก ให้สงลงโทษแก่บุคคลไม่เกินสามรูปการถูกลงโทษเป็นเหตุให้เสียสิทธิต่างๆภิกษุผู้ถูกสงลงตัดชนียกรรมจะต้องประพฤติวัดหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกตัดสิทธิต่างๆรวมส8ปดอย่างคือหนึ่งไม่พึงให้อุปสมบท หรือห้ามเป็นอุปชายยะ 2. ไม่พึงให้นิสัยคือห้ามรับบุคคลไว้ในปกครอง 3. ไม่พึงมีสมเณรไว้รับใช้ 4. ไม่พึงรับแต่งตั้งให้สั่งสอนนางภิกษุณี 5. ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนนางภิกษุณี 6. ถูกสงลงโทษ ด, ด้วยอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตนั้นซ้ำอีกเจไม่พึงต้องอาบัตประเภทเดียวกันนั้น8ไม่พึงต้องอาบัตที่เล็วกว่านั้นเกไม่พึงตาหนิกรรมนั้นสิบไม่พึงตาหนิสง์ผู้ทํากรรมนั้นสิบอ็ดไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ภิกษุปกติสิบสอง ไม่พึงห้ามปวรารณาแก่ภิกษุปกติ 13. ไม่พึงไต่สวนภิกษุอื่น 14. ไม่พึงเริ่มตั้งอนุวาธาธิกรคือการโจดอาบัติ15ไม่พึงขอให้ภิกษุอื่นทำโอกาสในที่นี้คือเพื่อจะโจดอาบัติ16ไม่พึงโจดอาบัตภิกษุอื่น 17. เจไม่พึงทำภิกษุอื่นให้ระลึกในที่นี้หมายถึงว่าได้ทำความผิดข้อนั้นข้อนี้หรือไม่ 18. ไม่พึงช่วยภิกษุทั้งหลายให้สู้กันในอธิกรณ์การไม่ระงับและระงับโทษภิกษุที่ถูกสง์ลงตัดชนียกรรมเสียสิทธ์ต่างๆ และฝืนทำในข้อที่ถูกตัดสิทธินั้นไม่ควรระงับการลงโทษต่อเมื่อปฏิบัติตามในการยอมเสียสิทธิตา่างๆจึงควรสวดประกาศระงับโทษพระเซยยะสกะกับนิยะสกรรมคือการถอดยศภิกษุชื่อว่าเซยยะสกะเป็นผู้มากด้วยอาบัตมีมารยาทไม่เรียบร้อย คลุกคลีกับขารหัดในทางที่ไม่สมควรภิกษุ ป, ปกติทั้งหลายก็ยังให้ปริวาสเป็นต้นคือช่วยทำพิธีออกจากอาบัตสังคาที่เศษให้เธอมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสง์ได้ความเป็นจริงแล้วจึงทรงโปรดให้สงลงนิยสักกรรมคือการถอดยศหรือตัดสิทธิแก่เธอ โดยวิธีเดียวกับที่ลงตัดชนียกรรมนอกจากนั้นทรงแสดงลักษณะการทานิสยกรรมว่าอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรมซึ่งมีข้อกำหนดเหมือนตัดชนียกรรมแล้วทรงแสดงลักษณะของภิกษุผู้ควรลงนิสยกรรมเหมือนกับลักษณะของผู้ถูกลงตัดชนียกรรมทุกประการการเสียสิทธิการระ ง, งับการลงโทษ การไม่ระ ง, งับการลงโทษก็เป็นแบบเดียวกับตัดชนียกรรมแต่พึ่งสังเกตว่าตัดชนียกรรมเน้นในเรื่องก่อวิวาทแต่นิยสกรรมเน้นในเรื่องต้องอาบัตมากมีมารยาทไม่ดีและคลุกคลีกับข้ารืหัดการลงโทษขับไล่ปรับภาชนียกรรม ภิกษุที่เป็นพวกของพระอาสชิในที่นี้เป็นคนละคนกับที่เป็นอาจารย์พระสารีบุตรนะครับภิกษุที่เป็นพวกของพระอาสชิและพระปุณพพสุกะซึ่งอยู่นชนบทเชื่อกิตาคิรีเป็นพระอาลัชชีประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรเช่นปลูกต้นไม้เองใช้ให้ปลูกต้นไม้ร้อยดอกไม้ให้เขาฤหัต บริโภคอาหารในเวลาวิการดื่มน้ำเมาทัดทรงดอกไม้ฟ้อนรำขับร้องและเล่นสนอื่นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงส่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะให้ไปจัดการลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นทรงแนะวิธีธรรมวิธีสวดประกาศไม่ให้ภิกษุพวกของพระอัสสชิและพระบุณพาสุกะ อยู่ในชนบทชื่อกีตาคิรีต่อไปส่งแสดงลักษณะการทำปรบภาชนียกรรมว่าอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรมซึ่งมีข้อกำหนดเหมือนตัดชนียกรรมซึ่งกล่าวมาแล้วแล้วส่งแสดงลักษณะของภิกษุผู้ควรลงปรบภาชนียกรรมคือการขับไล่หลายประการมีทั้งความไม่ดีไม่งาม แบบที่กล่าวไว้ในตัชนียกรรมและนิสยกรรมมีทั้งความไม่ดีไม่งามอันเนื่องด้วยความประพฤติไม่สมควรทางกายวาจาและการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นต้นการเสียสิทธิของภิกษุผู้ถูกลงปรับภาชนียกรรมคงมีสิบปดอย่างเช่นเดียวกับตัชนียกรรมแต่ที่พิเศษออกไปก็คือถูกขับไล่ ไม่ให้อยู่ในที่อยู่ของตนแล้วส่งแสดงลักษณะที่ไม่ควรระงับการลงโทษและควรระงับการลงโทษเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วการลงโทษให้ขอขมาครืหัดปฏิสารณียกรรมพระสุธรรมะอาศัยอยู่ในวัดของจิตตะครือหะบดีณราวป่าชื่อมัจจิ ก, กา โกรธว่าขรืหบดีนิมนต์พระเทระรูปอื่นไปฉันโดยไม่บอกเล่าหรือปรึกษาหารือตนก่อนจึงแรลงพูดให้กระทบถึงการสืบสกุลของขรืหบดีผู้นั้นในที่ซึ่งพระเทระอื่นอยู่ด้วยว่าของเคี้ยวของฉันของท่านสมบูรณ์หมดไม่มีอยู่ก็แต่ขนมคลุกงาคำจากบาลีคือตินสังคูลิกา และได้แสดงอาการอย่างอื่นในทางที่ไม่สมควรคําว่าไม่มีอยู่ก็แต่ขนมคลุกงาหรือตินสังคุลีกาในที่นี้คือต้นสกุลของครหบดีผู้นี้มีอาชีพทําขนมคลุกงาขายอันหนึง่งขรหบดีผู้นี้เป็นพระอนาคามียพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ จึงส่งแนะให้สงสวดประกาศลงปฏิสารณียกรรมคือให้ไปขอโทษคฤรพหัดที่ตนรุกรานล่วงเกินและส่งแสดงลักษณะของการทําปฏิสารณียกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมในทํานองเดียวกับตัชนียกรรมที่กล่าวมาแล้วส่วนลักษณะของภิกษุผู้ควรลงโทษแบบนี้ท่านแสดงไว้สี่หมวดหมวดละห้าข้อคือ หมวดที่หนึ่งหขวนขวายเพื่อเสื่อมลาภแก่เขาฤหัสสองขวนขวายเพื่อความเสียหายหรืออนัตตะแก่เขาฤหัสสามขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แก่เขาฤหัสสี่ด่าหรือบริพาศเขาฤหัสบริพาศคือด่าโดยอ้อมห้าทำเขาฤหัสให้แตกกับเขาฤหัส หมวดที่สอ ง, งติเตียนพระพุทธเจ้าให้ขรือหัสฟัง 2. ติเตียนพระธรรมให้ขรือหัสฟัง 3. ติเตียนพระสงฆ์ให้ขรือหัสฟัง 4. ด่าหรือพูดข่มขรือหัส ด, ด้วยถ้อยคำอันเลว 5. รับปากอันเป็นธรรมแก่ขรือหัสไว้แล้วทำให้คลาดเคลื่อนคือไม่ทำตามนั้น หมวดที่สามพิุห้ารูปแต่ละรูปทําความไม่ดีดังที่กล่าวไว้ในหมวดหนึ่งรูปละอย่างหมวดที่สภิกษุห้ารูปแต่ละรูปทําความไม่ดีดังที่กล่าวไว้ในหมวดสองรูปละอย่างทั้งสี่หมวดหมวดละหข้อนี้เพียงหมวดใดหมวดหนึ่งที่พิกษุได้กระทําลงไปถ้าสงปรารถนาจะลงโทษ ให้ขอขมาคฤหัตคือปฏิสารณียกรรมก็ทำได้ต่อจากนั้นทรงแสดงการเสียสิทธิหรือการประพฤติวัดสิบแปดอย่างเหมือนที่กล่าวไว้ในตัชนียกรรมแล้วทรงแสดงวิธีที่จะปฏิบัติในการขอขมาคฤหัตซึ่งจะต้องมีการสวดประกาศสงส่งภิกษุเป็นทูตไปด้วยรูปหนึ่ง ร่วมกับภิกษุที่ถูกลงโทษเพื่อช่วยเจรจาให้เขายกโทษให้เมื่อทำได้ดังนี้สงจึงสวดประกาศเพิกถอนการลงโทษนั้นต่อจากนั้นจึงทรงแสดงลักษณะของภิกษุที่ไม่ควรและควรเพิกถอนการลงโทษแบบนี้ฝ่ายละ18ข้อเช่นเดียวกับตัชนียกรรม พระชนนะกับการยกเสียจากหมู่หรืออกเขปนียกรรมพระช น, นะต้องอาบัตแล้วไม่เห็นอาบัติความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะให้สงลงโทษยกเสียจากหมู่คือไม่คบค้าด้วยทร ง, งแสดงลักษณะการลงโทษที่ไม่ถูกทำและถูกทำเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในเรื่องตัชนียกรรม แต่มีการเน้นว่าการลงโทษยกเสียจากหมู่นี้เพราะภิกษุไม่เห็นอาบัติไม่ทำคืนอาบัติไม่เลิกละความเห็นที่ชั่วและยังมีความไม่ดีข้ออื่นอีกที่ซ้ำกับตัดชนียกรรมแล้วส่งแสดงการเสียสิทธิเป็นต้นเหมือนกับที่กล่าวไว้ในตัดชนียกรรมอันหนึ่งพึงสังเกตว่า คำว่าการเสียสิทธินั้นเป็นการพูดให้เข้าใจง่ายในภาษาบาลีใช้คำว่าวัดที่สะกดด้วยต่อเต่ารอเรือนะครับหรือข้อปฏิบัติส8บปดข้อ